บุกทูยี่สิบสองดิเดสมิดดีบการสนทนาสามเนลียล่าารรีสคุณสูบบุหรี่ไหมครับไวยูสเมเจยตผมเคยสูบครับ แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้วบตอวรสเมเจยรบกวนคุณไหมครับถ้าผมสูบบุหรี่ไวตตรซมยไม่เลยครับนมีมันไม่ได้รบกวนผมครับ ด a s m a n ี n e t r a u c เคุณจะดื่มอะไรไหมครับไวยูสกอดกวดัวเซอร์เซตบรันดีไหมครับกอนยัคคไม่ครับผมชอบเบียมากกว่าแน l ล b บ k a อ u คุณเดินทางบ่อยไหมครับ Vai jūs daudz c e ļ ซ j a t b ัตบ่อยครับส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจย่าเกาเ t นอการ์ตที่อียิ a ต์เดีย Te สับเราเซียนิแต่ตอนนี้เรามาพักร้อนเบตตากัไม่ตอซอวลินาอร้อนอะไรอย่างนี้สตม ใช่วันนี้ร้อนจริงๆยอริชเราไปที่ระเบียงกันเถอะพรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ ครับพวกเราได้รับเชิญด้วยยาเมสอารีแอซัมออลูกติ